วิถีแห่งความรู้แจ้งโดยพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชกฉบับ ร, รวมเล่มวิถีแห่งความรู้แจ้งเล่มหนึ่งโดยปราโมท สันตยากรคำนำวิถีแห่งความรู้แจ้งถึงพระสัทธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่การเจริญสตินอกจากการเจริญสติแล้วไม่มีหนทางแห่งความรู้แจ้งทางที่สองการเจริญสติ หรือการทำความรู้ตัวเป็นวิถีทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่จะพาเราแวกออกจากโลกของความปรุงแต่งหรือความคิดนึกทั้งหลายซึ่งปิดกั้นเราไว้จากสัจธรรมที่แท้จริงทันทีที่เราแยกตนเองออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งได้จิตของเราจะมีคุณภาพที่จะมองเห็นปรมมต ธ, ธรรมที่กาลังปรากฏและเกิดดับได้แก่จิตและเจตสิก อันเป็นฝ่ายนามธรรมและรูปธรรมทั้งปวงเมื่อจิตรู้แจ้งและปล่อยวางปรมัตรธรรมฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมได้แล้วเราก็จะบรรลุถึงสัจจ์อันแท้จริงซึ่งอยู่เหนือความปรุงแต่งทั้งปวงการบรรลุถึงสัจจ์ที่จะเหนือความปรุงแต่งจะกระทําไม่ได้ด้วยการปฏิบัติที่เป็นความปรุงแต่งอาทิ การทำทานการถือศีลและการทำสมาธิที่ถูกต้องไม่ต้องกล่าวถึงการทำทานการถือศีลและการทำสมาธิที่ผิดคือเจือด้วยโมหะและโลภะตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดความตรนีก็ทำทานเพื่อลดความตรนีเมื่อถูกราคะและโทสะครอบงำจิตใจจนล้นออกมาเป็นการทำผิดทางกายและวาจาก็ถือศีล เพื่อเป็นกรอบกัน้นการทำผิดทางกายและวาจาไว้ก่อนหรือเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเมื่อมีการมาราคะก็พิจารณาอสุภะสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นประโยชน์มากและควรทำแต่ก็เปรียบเหมือนกับการแก้อาการของโรคเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นการขจัดต้นตอหรือสาเหตุของโรค การจะปฏิบัติจ น, จนจิตเข้าใจถึงสภาพธรรมที่เหนือความปรุงแต่งจะกระทำได้ด้วยการลืมตาตื่นออกจากโลกของความคิดฝันปรุงแต่งแล้วหันมาเผชิญกับปรมาธรรมที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางพ้นจากความหลงยินดียินร้ายแม้แต่กับกิเลส บ, บาปธรรมไม่เพ่งจ้องและไม่เผลอเติมความคิดปรุงแต่งลงในการรับรู้ นี้คือวิธีที่จะรีดกระแสความคิดปรุงแต่งให้เรียวเล็กจนขาดลงเมื่อกระแสของความปรุงแต่งขาดลงสภาพธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งก็จะปรากฏออกมาเองการทำความรู้ตัวเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยแต่กับความไม่รู้ตัวแล้วหลงอยู่ในโลกของความคิดฝัน จึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติอย่างจริงใจหนังสือเล่ม น, นี้ได้นำเสนอข้อเขียนบางส่วนของอุบาสกนักปฏิบัติผู้หนึ่งคือนายปราโมทสันตยากรหรือสันตินันหรืออุบาสกเนรนามทั้งสี่เรื่องมีสาระเดียวกันคือนำเสนอแนวทางการเจริญสติ เพียงแต่มีความยากง่ายในการอธิบายแตกต่างกันนับตั้งแต่1เรื่องแด่เธอผู้มาใหม่เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะจะเป็นการนำเสนอสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 2. เรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขปเป็นการขยายความให้ลึกลง 3. เรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์หลวงปูดูลอตุโลเป็นการแจกแจงการปฏิบัติแบบหนึ่งของสิทธิผู้หนึ่งซึ่งได้รับการชี้แนะแก่นคําสอนในเชิงปฏิบัติจากหลวงปูดูลควรเข้าใจว่าสิทธิท่านอื่นก็อาจมีวิธีการปฏิบัติตามแก่นคําสอนของหลวงปู่แตกต่างกันบ้างตามจริตนิสัย และสี่เรื่องการดูจิตความหมายวิธีการและผลการปฏิบัติเป็นการอธิบายในเชิงวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักปริยัติกับนักปฏิบัติขอชาวพุทธจงรู้จักวิถีแห่งความรู้แจ้งและมีส่วนแห่งความรู้แจ้งตามรอยบาทของพระศาสดา โดยทั่วถึงกันเทิน1พระศติิกายน2544